เชื่อมไปสมัครเคาะได้เป็นสายอาชีพมันมีทั้งพระพระทฤษฎีภาคปฏิบัติพระปฏิบัติก็คือฝึกหัธรรมศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะท่านจงตรัสเอาไว้ประยัดปฏิบัติปฏิเวทประยัดคือเรียนรู้ก็คือพระทฤษฎีเสร็จียกว่ามาปฏิบัติเป็นปฏิบัติ เป็นปริญญ์นำสู่ปฏิบัติปฏิบัติเป็นเหตุให้เกิดปฏิเวทคือผลถ้ามีแต่ปริญติไม่มีการปฏิบัติคือเหมือนอย่างรักษาศีล น, นี่แหละศีนหรู้หมดแหละแต่เราไม่เอามาปฏิบัติไม่มีผลศีลแปศีลห้าศีลแปรวมไปถึงศีลสิศีลส2งร้ี่เหมือนกันเราไม่แต่เรียนรู้เฉยๆข้อนั้นห้ามอย่างนั้นข้อนั้นห้ามอย่างนั้น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 ว่ท่านจะเข้าไปเวลาเห็นท่านเข้าไปก็ยกมือสะลอนจบใส่หัวหนึ่งปาบุกมิกมุกมิกบุก ม, ก ม, ก ม, กมิกว่าอะไรอยา oui, ่างนี้ปราถนาบุญแ น, น่ดูแล้วโอ existem, ้นักปืนปี๋ดีมากยินดีท่านก็บินตบาบัตผ่านไปบิงองสององก็แล้วแต่บินผ่านไปยกตามคก้นคนอีกยกมืท่วมหัวตามก้นคนอีกกูบาารย์เราระ ว, วังใดีนะตุ่นนี้ตุ่นี้นะ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 เ อ, อ้อย่าไปตั้งความปรารถนาเลยเดี๋ยวพระท่านจะเป็นนี่ <c oughs> ไม่จำเป็นดอกยังไงบุญก็ได้ของเราอยู่นั่นเลยทามากมาก็กได้มากทำน้อยก็ได้น้อยเขาทำอย่างไรนาสู่การปฏิบัติฟ <c oughs> ัง <th> เรื่องทาน <N> <K ai> <th> เราก็นาสู่การปฏิบัติทานร่างกายทานร่งกายทำทาน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 เหมือนกระแสะของเปลียนไหลถ้าเราจะเทียบมันไม่ต่างนะครับกระแสะน้ำลอยลอยไปตามทิศทางที่มันต่ำกว่าตุ๊กปองตุ๊กปอ ง, อ ง, องลอยไปต่ำไปทางที่ต่ําแต่กระแสะน้ําขาสามารถปรับเปลี่ยนให้ไหลขึ้นสู่ที่สูงได้ธรรมะของเราที่จะเข้าไหลเข้าสู่หัวใจจําเป็นจะต้องปรับให้ไหลขึ้นให้ไหลเข้าสู่หัวใจเพราะฉะนั้ น, ใ น, ใ น, ใ น, ในพุโทโธพุธโทโธเริ่มแรกที่เราเริ่มฝึกเริ่มหัดเราจะต้องบังคับ ใช่อะไรบังคับใช้สตินี่แหละ บ, บังคับใช้สัมปชัญญะนี่แหละ บ, บังคับใช้ความอดความทนใช้ความภาคความเพียรนี่แหละ บ, บังคับใช้ความสังวรสัมรวมระหว่างนี่แหละ บ, บังคับพุทโธพุทโธพุทโธเราต้องบังคับบังคับไปบังคับไปก็ อ, อยู่ถ้าเราเจริญอย่างนั้นเป็นายกินของเราผลรายได้เป็นเรื่อง ร, รุกถาวรทาผล บวกของทมก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเพราะเราทำเวทที่รายผลก็จะต้องตามมาเป็นวิบัติถ้าเราถ้าเราไม่เจริญธรรมกิเลสมันเจริญขึ้นมากิเลสกรรมบิบัติผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสทำกรรมบิบัติผลรายได้เป็เรื่องของทำเราต้องการเป็นผู้มีศีลมีธรรมเราจะต้องเจริญศีลเจริญธรรมเข้าสู่ใจของเราศีลก็นําสู่การปฏิบัติเนื่องๆบ่อยๆไม่ขาด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 แต่เพราะเหลือมันอยากมาโดยอำนาจด้วยอำนาจของกิริมันจะพาเราฝ่าฝืนกฎระเบียบสิ่งธรรมมันเป็นเรื่องของเปลี่ยนมันจะทําดึงให้เราไปทําตามในของราคะของโทสะของโมหะนี่มันเป็นเรื่องของกิริเราต้องพยายามฝ่าฝืนอนาำนาจของธรรมมาบีบมาบังคับเหมือนกับขับบังคับนา้บาบังคับในที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงเราจะบังคับให้ธรรมะเกิดขึ้นที่ทใจของเราในใจของเราใใเช่นเดียวกันเราจะต้องอาศัยการบังคับ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 มันเข้ามาครอบจิดของเราที่ไรเมือ่อเมื่อเติบขึ้นมาทันทีเลยเมือ่อเติบมองอะไรไม่ออกมันก็มาช่วยจิตของเราไปใช้ละเอาไปยินดีพอใจยังไงเอาไปทําอย่างนั้น่ะมีความราคะตันหาอะไรยังไงก็เอาไปทําอย่างนั้นแหละโอกาสที่เราจะฝ่าฝืนมันยายกถ้าหากเราไม่เคยตั้งใจฝ่าฝืนเราไม่เคยตั้งใจฝึกฝืนอบรมเป็นตามอำนาจของมัน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 เห็นเหตุก็มันเห็นต้นต่อของมันด้วยเหตุที่เราไม่เคยพิจารณาคิดนึกพิจารณาตามมันเอาไปใช้ได้อย่างสะดวกสบายแต่ถ้าเราเคยกําหนดจดจอ่อใช้สติใช้สัจจัญญะกํากับพิจรารณารูปปรากฏต่างๆาเราพิจรารณารูปสัตว์ว่าเป็นรูปเห็นเหตุเห็นปัจจัยขอามันในขณะที่เราตั้ง อ, อกตั้งใจพิจรารณาดังนั้นสติของเรากระโรวสมาธิของเรากระโรว ปัญญาของเรากระโง่จนจอยอยู่นั้นตัณหามันแทรกไม่ได้เมื่อตัณหามันแทรกไม่ได้ความอยากมันแทรกไม่ได้อุปาทานมันก็เกิดไม่ได้อุปาทานมันจะไม่ผ่านหนวยใจของเรามันเก็บของเล็กผสมน้อยเป็นส่วนผลไม่ได้สักจะว่าเป็นกิริยาเฉยๆมันเกิดขึ้นมัก็ดับไปเกิดขึ้นมันก็ดับไปอันนี้คือการพิจารณาให้เกิดความรู้เกิดความคล่องใจการพิจารณาอย่างนี้ท่านเรียกว่า ใช้สติใช้สัพเพเยระพิจารณาแต่ครูบาอาจารย์สายป่าเราท่านสอนให้เจริญสมถะแล้วก็ค่อยมาพิจารณาเจริญสมถะในจิตของเราได้รับความสงบมากน้อยเท่าไหร่ท่านก็เอามาใช้ปัญญามาพิจารณาให้เกิดปัญญาจิตสงบมากเท่าไหร่เอามาพิจารณาให้เกิดปัญญาพิจารณาให้เกิดปัญญาได้มากน้อยเท่าไหร่มันก็เสริมสมถะสมถะส่งเสริมวิปัสสนาวิปัสสนาส่งเสริมสมถะเราก็ทําไปอยู่อย่างนี้แหละ จนเกิดปัญญาที่แท้จริงคือปัญญายาถึงจะรู้รู้เรื่องกิเลสตัณหาทัาาท้งหลายมันแตกหักกันอยู่ในขั้นที่ว่ากำหนดจุจดจ่อจ้องดูเนื่องจากว่าเรามีสติแก่กล้าปัญญาแก่กล้าเราพอจะรู้เท่าทันมันพอมันเกิดขึ้นมาเรารู้ทันก็ดับเกิดขึ้นมาเรารู้ทันเมื่อกดับมันเกิดขึ้นมาเรารู้ทันก็ดับงานเหล่านี้มันเป็นงานที่มันผล่ขึ้นมาที่จิตของเรา เราตั้งใจกำหนดจุด จ, อจอ่อรอยูย่มันไม่กลา้าแทะเข้ามาเพราเราเผลอๆซะหนย่ยเดี๋ยวมาแพรบขนะึ้นมาละแพรบสนองพรบกึมาอาไอ้เผลอไม่จริงเรายังกำหนดจุดจอแพรบกึมาพระทักกันเลยพระโอราไปเลยล่ะตัณหาในหวัวใจของเราความอยากในหวัวใจของเราเราจะไปกำหนดยังไงรู้จังนาะเรื่องของตัณหาในหวัวใจของเราเรากำหนดดูความยาก แต่หาแปลว่าความอยากความที่เกิดความที่ทะยานของใจของเราเรากําลังมีความอยากหัวใจของเราเวลามันอยากขึ้นมาปั๊บเออมันอยากให้ทานโอ้มันอยากรักษาศีลโอ้มันอยากภาวนาอันนี้เป็นเรื่องของทํามมันเป็นเรื่องของมันโอ้อยากได้อัดอยากได้ทําเป็นเรื่องของมันรีบสนองมันรีบรีบตั้งใจประพฤติรีบตั้งใจปฏิบัติให้มันความอยากแบบนี้เป็น เป็นมากทําให้มากเจริญให้มากทําให้มากเจริญให้มากแต่ถ้าอยากอยากลักอยากขโมยอยากผิดลูกผิดเมียเขาอยากกินเหล้าอยากพูดเแทนพูดสนุกนี่ถือว่าเป็นฝ่ายกินดเป็นฝ่ายสมุกไทยด้วยเหตุที่เราคิดเนี่แหละคิดเรื่อยๆคิดนึงเด้อคิดบ่อยๆเดี๋ยวก็ไปฆ่าสัตว์ละเดี๋ยวก็ไปลักทรัพย์ละเดี๋ยวไปผิดผิดลูกผิดัวผิดเมียคน <c oughs> นั้นคนนี้ละ เดี๋ยวเขไปพูดบดมดเท็ดมันทําได้เลยแหละตั้งแต่คนพื้นพื้ น, นตระสีตระสาไปจนถึงหลวงเจ้านายใหญ่โตๆหนึ่งเพราะกิเลสมันแทรกอยู่ในหัวใจทุกคนทุกคนยิ่งเป็นผู้ใหญ่มากเท่าไรยิ่งยิ่งต้องได้มากเท่านั้นมีปัญญามากเท่าไรยิ่งต้องได้มากเท่าไรยิ่งโกยได้โกยได้มากเท่านั้นยิ่งโกยได้มากเท่านั้นใครทำไม่มีไม่มีเคยเคยเรื่อกแบบอ้าวโอ้คนเก่งทำโอ้คนรวยทำโอ้คนดีทํา แต่ถ้าเป็นคนดีถ้าเป็นคนดีแล้วจะไม่ทํำสิ่งนี้ย่อมรู้จักสินรอบย่อมรู้จักทำเพราะฉะนั้นท่านจึงท่านจึงมีกฎหมายมาสำหรับดีบังคับโดยเฉพาะสินธรรมเรื่องของสินของธรรมอย่างเดียวคนมีสินมีธรรมแล้วกลัวกลัวฝากกลัวสูญกลัวผิดศีลกลัวผิดธรรมแต่คนชั่วไม่ก ล, ลัวสามารถล่อลกิดได้ทุกระยะทุกเวลาเพ้อไม่ได้ เดี mind, ๋ยวหยิบฉวยเผอไม่ได้หยิบฉวยเผอไม่ได้หยิบฉวยนี่คือคนชั่วคนชั่วไม่กลัวไม่กลัวว่าไม่กลัวไม่กลัวบะคนชั่วไม่กลัวบแต่คนดีท่านั้นกลัวบะคนดีรู้สิงรู้เรื่องสิ่งรู้เรื่องธรรมและไม่กล้าไม่กล้าฝ่าฝืนมีให้ริมมีโอตตับบะมีความเกรงกลัวมีความเกรงกลัวต่อมีความเกรงกลัวต่อบะ มีความละอายใจต่อบาปมีหลีกบาปมีอดตปะกตบบามบปบบามีความละอายแ ล, กกล้วก็เกรงกลัวเกรงกลัวผลกรรมนั้นจะตามมาเล่นงานเร า, าบอกสินห้าอย่ากล้าลุกนะสินห้าอย่ากล้าลุกนะะผู้ที่มีสินมีธรรมแล้วกลัวหลวงไม่กล้าลุกละเมื่อแต่ผู้ไม่มีสินไม่มีธรรมไม่กลัวบาปเผลอไม่ได้นะฮะฆ่าสัตว์ตักสัตว์เอาหมดลูกเขาเมียเขาผัวเขาเอาหมดเผลอเอาหมด เพราสิ่งเนี้มันมีความอยากหลับตั้งอยู่ในหัวใจของเราเลิกละได้ยากทาไม่ได้ท า, าไม่ได้ตั้งใจใหเห็นเ ห, น เ, หนเห็นปัจจัยของมันที่แท้จริงเลิกไม่ได้ละไม่ได้กินเหล้าเนี่ยกินเหล้าบางทีเห็นไปกับพระกับแท่แอ่ไปกินอดไม่ได้อดไม่ได้โอขอซะหน่อยเถอะขอซะหน่อยเถอะ <c ười> เดี๋ยวคอยมาโคตมาวนมาแว่นทีหลังไปกับ พลาดน่แหละเมาแค่เลยโตดูสิทริปเด็กขวัมันร้ายกาขนาดไหนกลัวที่ไหนกลัวเวรกลัวกรรมที่ไหนมีฮิริมีอตปาที่ไหนคำว่าฮิริคือความละอายในใจของตัวเองไม่ใช่ละอายก็บผอื่นนะคำว่าอตปาคือเกรงกลัวแปลงกลัวต่อตัวเองเลยนจะจะได้ปรับผลปากผลกรรมไม่กล้าไม่กล้าฝ่าไม่กล้าสืน ไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นเป็นไรไม่เห็นเป็นไรตายทั้งมันตายทั้งมันกินเหล้าตายชัางมันตายช่างมันตายจริงๆเนี่ยตายเพราะเราเอ้กินเหล้าไปแล้วก็ถือว่าเขาถือว่าทําลายสติทําลายสัมปชัญญะของตัวเองไม่เห็นที่เรากินแล้วก็ติดเป็นายจินนี่แสดงว่ากรรมอํานวยให้เราแล้วเกิดพวกใหม่พกใหม่ชาติใหม่ท่านบอกว่าเป็นคนบ้าไบา้วิกลวิการ ไม่สมไม่สมประกอบทั้งด้านสติทั้งด้านปัญญาเป็นคนเงอะงะงะงคือไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีอะไรเลยเป็นคนโง่พูดง่ายงไม่มีสติไม่มีปัญญาร้ายแรงมากไปกว่า น, นั้นน่ะมีสติไม่สมประกอบเป็นคนบ้าไปที่คนวิการเพราะอะไรเพราะจิตของเราอยู่ดีๆร่างกายของเราอยู่ดีๆแล้วไปเอาน้ำเมามามองให้เมาพอเมาไปแล้วเนี่ย ส, มสามารถทำได้หมดผิดถูกผิดชอบเัื่อเดียวไม่รู้จักอ่ในอตอนที่ยังไม่เมาดูเหมือนมีความลอ า, ายมีความเคารพมีความย่ำเกรงมีความเกรงกลัวพอเมาเข้าไปแล้วเนี่ยเหมือนกับครูบาอาจารย์ของเราแหละที่เคยเคารพเนยแหละที่เคยกราบไหว้ที่เคยเคารพที่เคยย่ำเกรงเนี่ยไม่มีกลัวแหะไม่มีเกรงไม่มกลัวเจอแล้วน<สท qui>ะเขามาเจอเราตอนที่เขาเมาพอดีแต่เขาไม่ใช่ลูกสิทธ์เราหรอก เป็นคนที่รู้จกักอะไรเฉยๆโอ้พูดมือถึงเลยโ อ, โอ้พูดเราพูดคําเยี่ยวฟาดไปยังเท่าไหร่ก็ไม่รู้เลยนั่นคือคนเมามันขาดสติขาดสัมผัสจรยธท่านว่าเหมือนคนบ้าท่านว่าเหมือนคนบ้าคนดีๆถ้าเจอคนเมาแล้วท่านไม่ถึงสาเพราะคนบ้าคนบ้ า, อ ย, า, อ, อ, ยบาอย่าไปถือเหตุกับคนเมาอย่าไปถือเหตุกับคนบ้า ม, มันก็ทะลอะกันเฉยๆนี่คือไม่มีความยินดีไม่มีโบนัสปะไม่มีความกเงงกลัวสิ่งนี้มันเคยเลือกใครผ <ind ip meme> ู้ดีผู้ดีผู้ทุกผู้ยากผู้จนผู้ร่ำรวยผู้มีศักดิ์ศรีขนาดไหนก็ตามความเมาไม่เคยคนดีใครใครยินไปก็เมาใครยินไปก็เมาเลยกินอะไยากอะไรก็ยากยั้งดันไปจิกเมาสิเนี่ยต้องระวังให้ดีโดยเฉพาะปีใหม่เนี้ยปีใหม่เนี้ย นี่เขาเจ็ดวันอันตรายเนีาก็ไปตั้งตัดตั้แต่เมื่อวานนะครับเจวันเจ็ดวันอันตรายนู่นไปถึงที่สี่นี่เจ็ดวันอันตรายต้องไปช็องกมาวช่องกมอวเกี่ยวกับเรื่งปีใหม่ปีใหม่เห็นที่อะไรเขาบอกว่าปีใหม่ปีใหม่ก็เปิดโล่งเริ่มไปตามเขากลับบ้านกลับช่อกมารกินกันเลยโอ้ขับรถไม่ระวังอันตรายต้องระวังนะในช่วงปีใหม่ โดยเฉีาะสิ่งข้อนี้สิ่งข้อสุดท้ายไม่เห็นโทษเลยไม่เห็นโทษเลยดูเหุที่เรากินนิดเดีอยอย้อยเลยกินกินกินกินเพลินพเลนพเลินไปจนลืมเลยบางคนกินจนติดอกินจนติดเมื่อก่อนนั้นคนทํางานที่วัดยังแอบใส่ไปกินที่วัดโท่ใส่ริปโพรกทิงลงไปไปกินที่วัดต่อต่อต่อต่อ ไปได้ไม่กี่วันก็แบบไม่กล้าไปนะครับถ้าเราเห็นเราก็เอาเลยแหละไม่ต้องกินให้เห็นดอกเดินผ่านมาพูดด้วยเท่นั้นแหละรู้โรสไล่ต้อนเลยแหะคนขาดอิทธิขาดเพราะตับะขนาดนั้นเนีมันจะรู้ดีรู้ชั่วอะไรแค่แค่ลกได้ง่ายๆเว้นได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ยอมลกไม่ยอมเว้นเสียสรัพ์เกิดโรคออกการทะเลาะวิวาสเพราะนั้นปีใหม่ เคยสงกลานต์เคยแต่ละครั้งแต่ลครั้งอันตรายที่สุดคือคนอามาเมาแล้วนั่งจากกยานนั่งมอเตอร์ไซค์ด้วยนะอันตรายมากรถ อ, อีรถบริจาคธรรมด์มามานุ ก, ออกโวไปในที่ย่านชุมชนเยอะๆยะเปรี้ยงเดียงนะโอพวกกันเป็นสิบสิบคันมนะันอันตรายอันตรายมากนี่คือชิ้นชนห้าเย เราฝ่าฝืนกป็นโทษนะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่าฝ่าฝืนเป็นโทษทนะังงง้งนั้นพวกเราอยากมีผลอยากมีอนันสูงในการตั้งใจสมาทานศีลต้องนําสู่การปฏิบัติอยากให้ทานนําสู่การปฏิบัติรู้ยิ่งใหไม่ทําแล้วไม่มีไม่มีการปฏิบัติไม่มีผลภาวนาก็เหมือนกันได้ยินได้ฟังนะว่าว่าไปถือเอาไปพึ่เอาไปปฏิบัติวัดป่าแล้วลี้ยงมากตั้งใจเราพึ่งตั้งใจปฏิบัติ ปฏิบัติจนจิตได้รับความสงบไม่ใช่ทำสัพเทว่าทําเอาหน้าตายเฉยไม่ใช่ทําจนจิตได้รับความสงบสงัดข้างในมีความกระยิมยิ้มย่องอย่างนหนึ่งไว้ใจของเราเองจะเราจะรู้สึกว่าเรามีที่พึ่งให้กับตัวเราได้ตั้งใจเภาวนาใจได้รับความสงบยิ่งพิจารณาให้รู้เห็นความเป็นไปเป็นมาของธาตุขันด้วยนะั<อ>้นก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยละอุปาทาส่วนละเอียดเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึ ก, เ ข, ล ก, เ, ขลกเข้าไปได้อีก รู้ที่ไปที่ม า, ข, าของกาย เ, เรายึดเละเกินกายเรากายเรากายเราแท้ที่จริงเป็นเกิดในท้องแม่ไม่มีใครเลือดสักหยดเป็นเกิดในท้องแม่ไม่มีให้เลือดเลือดสักหยดเป็นเกิดในท้องแม่พอคลอดออกมาแล้วโอ้กายเรากายเรากายของเราบางคนทิฏฐิมานะถึงขั้นว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองไม่รู้เรื Kah ่องเลยตั Mick ้งทั้งที Cyberpunk ่ตัวเองได้มาจากพ่อจากแม่แท้หรือว่าโครงสร้างของเราด้วยกันทุกคนได้มาจากพ่อได้มาจากแม่ Happ <laughs>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 แม้แต่คนร่ำรวยขนาดไหนก็ตามแต่บางทีมีศีลมีธรรมบ้างอยู่แล้วก็แต่ด้วยความห่วงแหนทรัพย์เวลาใกล้ตายกบไปเกิดเป็นสักรไปเกิดเป็นสักรพออยู่ได้อยู่ใกล้ๆกับทรัพย์ของตัวเองจะนี่ก็ไปฝังทรัพย์เอาไว้ไปเกิดเป็นหนูไปเกิดเป็นหนูไปเกิดเป็นกลอกกระแตาะอได้กระโดดไปใกล้ๆพอได้เห็นทรัพย์ของตัวเอง นี่คื อ, ส, อสักเราอยู่ตรงนี้สักมาอยู่ตรงนี้สักมาอยู่ยังไม่มีใครมากุดไปยังไม่มีใครมาขุดไปอยู่ตรงนี้โอเที่จะเป็นหอยนี่นี่คืออุปทานอุปาทานมันยึดของเราของเราของเราของเราพยาะฉะนัถ้าให้ภาวนาเพื่อละสิ่งเหล่านี้แหละ <H it> เวลาอาสนกรรมใกล้จะมาถึงเรากรรมจวนเกียรใกล้จะตายเขาเรียกว่าอาสนกรรมเวลากรำจวนเกียรใกล้จะตายขึ้นมาถ้าเราระมัดระวังได้ตนนั่นเนี่ยเราไปสู่สุคติได้ เอานาจนใจเบาสบายปลอดโปรง่งเกิดปลืม้มปีติยินดีกิตสงบได้ตอนนั้นน่ยถ้าสงบถึงขั้นปฐมฌานอารมณ์ของฌานฌานที่หนึ่งเนี่ยแล้วก็ไปเกิดในพรหมโลกเลยเมื่อถึงขั้นนั้นเราก็ได้ไปสวรรค์สะดวกสบายสะดวกสบายกว่าที่เราอยู่ในโลกมนุษย์โลกมนุษย์เรายังเป็นโลกที่มีมิจฉาทิฏฐิมากมายมหาสารม า, ม า, มาต้องมา หลอกลวงมาหักแข้งหักขากันทำมาหากินอยู่อยู่กันนี่แหละเบียดเบียนกันอยู่นี่แหละไม่จบไม่สิน้นโกมนุษย์เราถ้าเราพิจารณาไปสมมติไม่มีอะไรมีแต่แย่งเรื่องการกันละ่ะแย่งอะไรแย่งสิ่งที่เป็นรูปแย่งที่เป็นเสียงแย่งใบแดงใบเขียวนั่นแะแย่งกันน่ะแย่งพระเจ้าเป็นนิ่งกันแย่งพระเจ้าอยู่หัวกันนี่แหละ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 มันไม่ยอมพิจารณาดูไอ้ตัวที่มันดึงเราไปนหะดูนั่นแนหะพิจารณานั่นแหละแต่เราบางังคับ้งเมื่อไรจะเห็นเมื่อไรจะเห็นเมื่อไรจะสว่างเมื่อไรสว่างเ่อไรจะสงบเมื่อไรจะสงบมันไม่เปลี่ยนดอกนี่เพราะมันเป็นเป็นการเอาความอยากมานําหน้าเอาตัณหามานําหน้าเราตั้งใจภาวนาะเพื่อระงับดับตัณหาเพื่อรู้เท่าทาันตัณหาแต่ในขณะเดียวกันเราเราบักนั่งทุงแต่ ด้วยฤทธิเดชของตนทาไมธมรรมะกว่ามิจะเกิดข okay. ึ้นได้เกิดขึ้นไม่ได้คาดคาดเราไปยึดเอาคาดคาดเราก็ยึดเอาสิ่งที่เกิดขึ้นคือจองปลอมทั้งนั้นเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจองปลอมคาดคาดเดาเแล้วก็ยึดเอาคาดคาดเดาเดาเราก็ยึดเอาผลที่แท้จริงนั้นจะปรากฏขึ้นมาเองความสงบกความสงบขึ้นมาเองเราจะรู้สึกแปลกประหลาดในในจิตของเราแต่เราต้องคาดต้องเดาล่วงหน้านั่นแหละ ไม่แต่เรื่องการพิจารณาอนิจจังทุกขังนัตตาเราต้องฆ่าต้องเดาอ๋อหัดดูโอ้อนิจจังเป็นอย่างนี้อ๋อทุกขังเป็นอย่างนี้หัดฆ่าหัดเดาหัดฆ่าหาดเดาไปเพราะว่าท่านให้ถือเป็นข้อปฏิบัติโยบอนิจจะสัญญาทุกขะสัญญาอนิจจะสัญญาอนัตตสัญญาทําการฆ่าตามทําการหมายอยู่แต่ว่า ต้องฆ่าต้องหมายต้องเดาด้วยการมีสติมีสัมผััญญากํากับดูแลควบคุมไม่ใช่ว่าริดเด็กของสิ่งเหล่านั้นพาเรานึกเราคิดไปพุทธเจ้าท่านให้เรียนโยมสุภสัญญาท่านให้เรียนอัตติกาสัญญาสําคัญว่าเป็นกระดูกอนัตตสัญญาสําคัญว่าไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตุไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ตูุไม่ใช่ตนเรียกว่าอนัตตสัญญาแท้ที่จริง กิเลสคือปัญหาในหัวใจของเรามันชอบให้เรานึกเราคิดเราอยากนันอยาน่างนี้คิดให้สมอยากคิดให้สมอยากและพยายามไปบังคับให้สิ่งนั้นเป็นไปตามความอยากของตีนบังคับให้สิ่งนี้เป็นไปตามความอยากของตีไม่เคยบังคับอะไรให้ได้สักอย่างหนึ่งเมื่อเราต้องการให้ไฟดับไฟดับไฟมันจะไม่ดับถ้าเราไม่ไปกดสวิตช์ของมันมันจะไม่ดับนี่คืออํานาจของใจของเรา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 เป็นเราว่าเป็นของของเราคิดอยู่อย่างงั้นแหละถึงจะบังคับไม่ได้มันก็คิดบังคับบัญชาอยู่อย่างนั้นได้แต่หมายบังคับสิ่งใดมันก็มีทุกข์กับสิ่งนั้นบังคับสิ่งใดก็มีทุกข์กับสิ่งนั้นให้เป็นไปตามใจของตัวเองบังคับกายไม่ให้แก่นั่กายก็ต้องแก่บังคับไม่ให้เจียมันก็ต้องเจียมไม่ให้ตายมันต้องตายมีลูกมีเต้าบังคับให้อยู่ในอำนาจของตัวเองอยู่ในคําบอกคําสอนของตัวเอง ลูกเออรักษาตัวให้ดีไงไปวัมาลูกติดยาบ้าแล้วโอ้ทุกข์อีกแล้วนั่นนะเรามีความอยากสิ่งที่เราต้องการให้เป็นไปตามความอยากของเราเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นมันมีเหตุมีปัจจัยข้ามันเช่นอยเราจะติลูกจะปฏิยาบ้ามันก็ไปกินกินข้าวปากมันกินข้าวปากลูกกินข้าวปากเข้ า, ขาท้อข้าประเด <ๆ S 2> ็นท้องมันก็ไปออกฤทิ์ออกเหนียนู่นมาใบมีคนมีการไป จรางมากๆเป็นบ้าเขาที่เรียกวิญญาบ้าญาบ้าทีา่ไปลองนะลูกหลานอย่าไปลองรองไม่ได้ล่ะลองไปแล้วเนี่ยบ้าจริงๆล่ะสมมติเอาไปบําบัดหายอย่างเงี้ยไปบาบัดที่นู่นที่นี่บําบัดแล้วหายแล้วเนี่ยหายแล้วเหลือแต่ทราบพัฒนาอะไรไม่ขึ้นเลยสมองสมองของคนนั้นพัฒนาไม่ขึ้นเลยเป็นซุงมทั้นู่นเลยนะเห็นมามีเกลื่อนไปหมดเลม เห็นมามีเกลือนไปหมดเลยแหละพัฒนาไม่ขึ้นไม่ไม่คืนดีไม่ดีคืนพ่อแม่เอาใจของดบดีมาให้ให้อยู่ให้กินอันไหดิบดีเออให้ลูกอันไหนดีเออเอาไว้ให้ลูกอนนอเอาไว้ให้ลู ก, ลกแต่เราโตขึ้นมาเราไม่รักษาพ่อแม่าฟาดยาบ้าฟาดเล่าฟาดอะไระอะไรสารพัด น, นี่คือไม่รักษาพ่อไม่รักษาแม่รักษาพ่อรักษาแม่คือรักษากายของเรา ร่างกายของเราได้มาจากพ่อจากแม่ใครเคารพพ่อเคารพแม่เอาตัวเองไปสแสดงพฤติกรรมให้ดีไปใช้พฤติกรรมให้ดีพฤติกรรมที่ไม่ทิ้งสินไม่ทิ้งธรรมพฤติกรรมที่อยู่ภายใต้อำนาจของสินของธรรมไม่ใช่อยู่อนาจใต้อำนาจของความอยากอันนู้นก็อยากนะ่อันนู้นอยากนั้นอยาก อ, อะไรก็ทําตามหมดอยากร้อยทั้งร้อยเป็นเรื่องของตัณหาเท่านั้นเป็นเรื่องของ greed เป็นเรื่องของตัณหานี่ให้เราฝืานธรรมะรางวัล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 เพราะร่งกายนี 100, ้อยู่ในวัเจริญมันก็เจริญเจริญเจริเจริรตเต็มที่มันก็เสืมเเสืมเสมเสเสมเสมเจ็สิบปีแปดสิบปี้าสิบปีร้อยปีร้อยปีร้อยห้าปีมันก็ไม่อยู่แล้วร่างกายมันก็แต็ดับไปแล้วนู่นหลวงพ่อวัดโที่สมพรเราอายุยร้อยห้าปีเพื่อามรณภาพไปแล้วอยู่เท่าเดิมที่ไหนในสุขก็หมดไปเราให้อยู่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 ท่านจึงให้ศึกษาให้รู้เท่าที่มันมีและมันเป็นไปของมันตามสภาวะมีอยู่อย่างนี้เองเป็นอยู่อย่างนี้เองกา้ศึกษาอ๋อมันต้องแก่อ๋อมันต้องเจ็บมันต้องแก่เราก็แค่ชะลอได้แค่นั้นเองมันต้องเจ็บเราก็อาศัยแค่ยุยาชะลอได้แค่นั้นเองเรามันต้องตายแต่เราก็ชะลอได้ด้วยการบํารุงรักษาเพียงชะลอชะลอได้แค่นั้นเอง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 พอมีลูกมีเต้าไววลูกเต้าอนะไรอยากทิ้งเราอีกทีหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องของกรรมเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกรรมกรรมเกิดที่ใจของไข่กรรมก็จะไปสนอกที่กรรมที่ใจของคนคนนั้นนี่เราพูดมากมายภูกพัน์พ่วงไปถึงว่ามีความความอยากความอยากให้เป็นไปตามใจวังของตัวเองเป็นเรื่องของตัณหาทั้งนั้น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 อยู่ตรงนั้นแหละเอาจิตของเราจ่อเข้าไปตรงนั้นแหละถ้าจ่อไปสัหน่อยเดี๋ยวมันกละลายไปจ่อลงไปสัหน่อยเดี๋ยวมันก็ละลายไปการที่เราตั้งใจภาวนาเนี่ยมันมีในส่องตรงนี้นะแต่ถ้าคนไม่เคยตั้งใจภาวนาด้วยนะไม่รู้หรอกคำว่าจ่อคืออะไรเป็นยังไงไม่รู้จักเอาสติเอาสามัญญะมากําหนดจอ่อให้อยู่กับอารมณ์นั้นมันจ่อไม่ได้หรอกท่านจึงให้ฝึกฝนอบรม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 ผลอ น, นิสงส์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้แลจะตามอันเมือ่อยใจให้พรอให้กับเราทั้งหลายได้ประสบผลสงความมุ่มั่ปรารถนาของเราเพราะฉะนั้นการจัดบุญครั้งนี้มัน เ, เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราได้พรฒนามาพระวัดเป็นปุญญสถานเป็นที่ทาบุญเป็นที่ให้ทานเป็นที่นั่งทำวัดสวดมนต์นั่งภาวนา พวกเรามีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยทั้งหลายพวกเราก็ามีผลมีน อ, อนนี้สงขอผลอันนี้สงศ์ทั้งหลายเบานี้ตามอำนวยอวยชัยให้พรกับพวกเราทั้งหลายได้ประสงความสุขความเจริญทั้งปีเก่าทั้งปีใหม่โดยทั่วหน้ากันถึงเป็นชิบตางปฏิบตางตูมหัางิ วัสมิวชันตุสภเพปูเรณตุสังฆาจันตทมนาโยยถาบริชฌอเทโสยถาสพิติโยวิวัชชันตุสปโรโคเินัสตุมาเตพวัตวันตรายโยสุพิธีขายุโกมวะอภิวาธนาสีริสเนพียงุทาปัญจโยจตตาโลถมาวัตติอายุมันโวสุขานา